เมื่อเราไม่พอใจเราก็เข้าไปเป็นกันเข้าไปเพื่อขับสาผลักออกไปไม่ว่าจะเข้าไปเพื่อยึดเอาไว้เป็นเจ้าของหรือผลักสยออกไปมันก็เท่ากับทำให้เราตกอยู่ในหลุมหรือบ่วงของมารเวลาปลานก็จะจับสัตว์เนี่ยเขาก็ใช้สองวิธีวิธีแรกก็เอาเหยื่อที่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 เอาสิ่งที่น่ายินดีมาล่อถ้าเข้าไปด้วยความอยากก็เสร็จดนเบ็ดเกี่ยวเกาะนะำมันก็ใช้วิธีนี้กับเราเอาสิ่งที่น่าพอใจมาล่อแต่บางทีก็เอาสิ่งที่ไม่น่าพอใจมาล่อได้เหมือนกันนะ mm hmm. เวลาจับไก่ป่าหรือว่าจับนกที่เราต่อนกต่อไก่เนี่ย mm hmm. ก, ก็เอานกตัวผู้เนี่ย มาล่อมาส่งเสียงไกป่ปลาหรือว่าเจ้าของถิ่นมันได้ยินมันก็ไม่ชอบมันก็ไม่พอใจว่ามีมีสัตว์มาลุกล้าถิ่นของมันมันก็จะเข้าไปเข้าไปทำมาเข้าไปไล่แต่ว่าพอเข้าไปไล่ไม่ทันจะเข้าไปถึงตัวก็ติดกับดักของพรานที่เขาล่อไว้อาจจะทำเป็นกรงเอาไว้อาจจะทเป็นบ่วงเอาไว้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 จมอยู่ในอารมณ์ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นอ th so, ุปทานกันนะอุปทานบาลีอุปทานภาษาไทยไม่เหมือนกันอุปทานภาษาไทยมันความหมายอย่างหนึ่งเมื่อคําว่ามานะในภาษาไทยกับมานะภาษาบาลีก็ไม่เหมือนกันมานะภาษาไทยเป็นของดีเรียกว่ามานะพยายามเอามาตั้งเป็นชื่อคนก็เยอะพราะเข้าใจว่ามานะแปลว่าพยายามแต่มานะภาษาบาลีมันเป็นกิเลส